ชีวิตของทุกคนมันคุ้นกับการนั่งแล้วก็คิด นั่งเผลอคิดเมือคิดไปเรื่อยๆนั่นคือความเคยชินเคยคุ้นที่จะหลงเรามีความเคยชินที่จะหลงอยู่เป็นธรรมดาของเราการที่จะมาเปลี่ยนก็ต้องใช้เวลาใช้ความเพียรต้องเห็นประโยชน์ มันไม่ได้ต้องทำอะไรแค่รู้ลมหายใจเดี๋ยวเดียวพอเขาแวะไปคิดเราก็รู้อยู่แล้วโดยเหตุด้วยผลเพราะเราเคยชินอยู่กับการคิดรู้ลมได้แป๊บๆมันก็กลับไปคิดแล้วก็ฝึกที่จะกลับมาอยู่กับลมก็ฝึกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งความเคยชินเคยคุ้นมันเริ่มเปลี่ยนทางเนะมื่อเปลี่ยนทางมันเองฉะนั้นเราเป็นผู้มีปัญญาเราก็ต้องรู้เองนะในการจะเปลี่ยนความเคยชินมันก็ต้องใช้เวลากันบ้างก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มียากไม่ได้มีง่ายอะไร มันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่กับอะไรมากๆเข้ามันก็ไปคุ้นไปชินกับบนั้นมากๆขึ้นต่อไปก็ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเกรงไม่ต้องพยายามอีกมันก็กลายเป็นธรรมชาติไปก็สงบโดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามที่จะให้สงบ เมื่อสงบเองโดยธรรมชาตินั่นคือจิตปราศจากกลามปราศจากอกุศลตอนนี้ค่อยๆทำไปทำไปเผลอไปคิดก็อ้เอเคยอีกแล้วก็กลับมาอยู่กับลมไว้จากหนึ่งขนเป็นสิบขนสิบขนเป็นร้อยขนร้อยขนเป็นพันขนเดี๋ยวมันก็เริ่มชินใหม่ ทีนี้ก็อยู่สงบความทุกข์มันมาจากความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ผ่านไปแล้วทั้งนั้ น, นรหรือไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงกลับมาอยู่กับขณะตรงหน้าเนี่ยขณะปัจจุบันนถ้าได้ยินเสียงระฆังก็คือให้กลับมารู้ลมถ้าขณะนั้นกำลังเผลอกำลังคิด ก็ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจไว้กลับมารู้ลมไว้ความคิดเมื่อสักครู่ก็ดับไปอารมณ์อันเกิดจากความคิดก็เปลี่ยนไปดับไปพอมาอยู่กับลมหายใจจิตใจก็สงบเย็น เราทำเหตุใหม่คือการรู้ลมผลก็ออกมาเป็นความสงบเป็นอุเบกขาทำจนจิตคุ้นกับอุเบกขาจิตคุ้นกับความสงบเย็นความสงบเย็นก็จะตั้งมั่นอยู่สังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นเพียงแค่ขันที่เกิดเกิดดั บ, ดบ จิตใจก็ยังคงสงบเย็นจิตก็ส่วนหนึ่งความคิดก็ส่วนหนึ่งกลับมาอยู่กับลมความคิดปรุงแต่งก็ดับไปอารมณ์มันเกิดจากความคิดพรุงแต่งก็ดับไปด้วย สร้างเหตุใหม่คือกลับมาอยู่กับลมหายใจอุเบกขาอารมณ์ก็เกิดขึ้นมาเป็นผลสังเกตลมหายใจตามความเป็นจริงมันจะเข้ายาวไม่เท่ากันถ้าลมหายใจค่อยๆเบาไปเบาไปหรือดับหายไปก็ไม่ต้องไปตกใจ ก็มีสภาพการรับรู้ไปอย่างนั้นมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเบาก็เบาหนักก็หนักอย่าเข้าไปทำอะไรสั้นก็สั้นยาวก็ยาวเรื่องของเขาจิตตั้งมั่นอยู่กับฐานไว้อะไรจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้น จิตสงบตั้งมั่นอยู่กับฐานเลยความคิดจะมีก็แค่สังขารเกิดดบจิตสงบไม่เข้าไปยึดจิตสงบเสียงจะกระทบ ลมเย็นกระทบผิวกายจิตสมบมีการรับรู้ตามธรรมชาติแล้วก็วางไปจะเจ็บปวดคันชามีการรับรู้ไปตามธรรมชาติแล้วก็วางไปก็ของเป็นธรรมชาติแบบนั้น ลมเย็นกระทบผิวกายจะขนลุกขนชันจะรู้สึกหนาวสะท้ า, านมันก็เป็นของมันอย่างนั้นจิตสงบสรรพสิ่งทั้งหลายก็ไม่เห็นจะมีอะไรนอกจากธรรมชาติที่เกิดเกิดดั บ, ดบ ไม่ได้มีตัวตนอะไรรับรู้แล้วก็วางไปไม่ได้ให้ค่าให้ราคาอะไรเหมือนนั่งขับรถ Google Map ก็นำทางไป Google Map ก็ไม่ได้เก่งอะไรก็ธรรมชาติทำว่าอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้น เรียวผิดเรี้ยวถูกก็ไม่ต้องไปทะเลาะก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นข้อมูลมีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้ยินดียินร้ายาฉันได้ก็ฉันนั้นความคิดทั้งหลายเวทนาเจ็บปวดคันชาทั้งหลาย มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นจะไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกายก็เปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวินาทีเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็เจียนตายมันก็เป็นอย่างนั้นใจก็สงบตั้งมั่นไว เข้าใจความจริงตามธรรมชาติสุดท้ายจะย้อนกลับมาเห็นความจริงของผู้ดูผู้รู้นี่เองเพราะยังดูยังรู้นี่ยจึงเกิดมีสุขมีทุกข์จึงเกิดมีการกระทบ มอย่างแจ่มแจ้งว่าแม้คารรู้การเห็นสุดท้ายก็เป็นธรรมชาติเช่นกันไม่ได้มีเรามีอะไรเพราะความไม่รู้เข้าใจผิดจุดเริ่มต้นจึงเริ่มที่นี่ก็ความรู้สึกเอกไปยึดถือมากมายเกิดเป็นความถุก ลลายความเห็นผิดปล่อยความยึดถือจิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นสภาพการรับรู้ตามธรรมชาติกันทั้งหมดก็จะสลัดขึ้น ธรรมชาติกันหมดไม่มีใครไม่มีอะไรมีแต่สภาพว่างจากตัวตนเป็นธรรมชาติเดิม ความสงบสันติที่แท้จริงแล้วก็อนุโมทนาสาธุอย่าให้เป็นการออกจากสมาธินะลืมคำนี้ไปได้เลย นี้ไปเราจะไม่ออกจากสมาธินะแค่เปลี่ยนแปลงอิริยาบถไม่ได้แปลว่าต้องออกจากสมาธิสมาธิยังคงสงบตั้งมั่นเหมือนเดิมแค่ลืมตามีการกระทบทางอินทรีย์ทวารทางหจตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบก็กระทบไปจิตไม่ได้เคลื่อนไหว ออกไปเป็นอะไรทั้งสิ้นก็เห็นจากาจาการเปลี่ยนแปลงมีแต่การเปลี่ยนแปลงจิตใจสงบตั้งมัน่นให้ออกไปใช้ชีวิตแบบนี้นะออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ลูกค้าโทรศัพท์มาเจ้านายเรียกไปต่อว่าก็ฟัง เข้าใจหมดทุกคำแต่จิตใจสงบตั้งมัน่นไม่ได้โกรธไม่ได้คลึก อ, อะไรเราทำผิดแล้วก็ปรับรงถ้าเราไม่ได้ทำผิดอย่างที่เขาบอกก็ชี้แจงไปชี้แจงก็จะฟังไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเราได้จบหน้าที่เราแล้วก็ชี้แจงไปใช้ชีวิตอย่างนี้ก็อยู่แต่ความสงบเย็นนะ ไม่มีอะไรมากระทบใจรับรู้ไปตามความจริงแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเข้าใจอย่างนี้จะเห็นว่าการฝึกสมาธิกับการใช้ชีวิตกลายเป็นสิ่งเดียวกันนะถ้าอย่างนี้สมาธิจะเอาไปใช้ในชีวิตได้แต่ที่ผ่านมาทั้งหมดเรานั่งสมาธิ จะสานาทีสองชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ตามมันกลายเป็นการนั่งสมาธิอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งแล้วเราก็ออกจากสมาธิแล้วบอกไปทํางานอย่างอื่นสมาธิจึงถูกทิ้งเอาไว้ในการนั่งสมาธิหลับตานั้นจากนี้ไปเราจะไม่ออกจากสมาธิการลืมตาไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งสมาธิ สมาธิความตั้งมั่นของจิตยังมีอยู่รับรู้การกระทบทุกอย่างเห็นความจริงของความเคลื่อนไหวเพราะใจตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่วิ่งวุ่นออกไปผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นตลอดชีวิตของเราวิ่งเข้าไปหาทุกอย่างจิตส่งออกนอกทุกครั้งนั่งสมาธินั่งสงบสงบเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งปื้นมาโอ้ยหนักโค้จริง ขณะนั้นท่านได้ทิ้งฐานแล้วก็วิ่งออกไปรับรู้ทิ้งฐานไปแล้วผมจะบอกให้ว่าความต่างคืออะไรสมมตินั่งเงียบเงียบอยู่มอเตอร์ไซค์วิ่งแป๊ดผ่านไป้ยอะไรนาวิ่งน้หูจริงๆขณะนั้นท่านทิ้งฐานเรียบร้อยแล้วเสียงที่กระทบกับจิตที่เข้าไปแปะเข้าไปยึดถือคลายเป็นสิ่งเดียวกันจึงก่อเกิดความรู้สึกเป็นเราทัานที มันทำลายความสงบของเราแต่ถ้าท่านเมื่อกี้ที่นั่งสมาธิกันมาจินจุติฐานความคิดเกิดขึ้นดับไปเป็นเพียงขันขันข น, นึงที่เกิดเกิดดับดบัไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ให้ค่าให้ราคาอะไรมีเสียงคนไอกระทบเข้ามาแล้วก็ผ่านไป กองเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปรับรู้แล้วก็วางแล้วก็ปล่อยไปไม่มีอะไรเลยมอตร์ไซค์แหวนมาก็เสียงกระทบแล้วก็สลายแว้นหายไปก็เงียบไปใจก็สงบเหมือนเดิมไม่ได้วิ่งออกไปพู้เจ้าตรัสไว้ในพระสูตรคือผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นเพราะฉะนั้นสภาพสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดอยู่แล้วเราออกไปบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นทุกคนต้องเงียบต้องสงบต้องเดินช้าๆเปิดประตูเบาๆ เ, เ, เราจะออกไปควบคุมใครท่า น, นเพียงแค่จิตตั้งมัน่นใจสงบอยู่ที่ฐาน พอถึงจุดสุดท้ายจริงๆที่เราฝึกไว้จุดจิตจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยเมื่อเห็นความจริงของการรับรู้ทั้งหมดว่าเป็นธรรมชาติจิตจะดับสลัดคืนสู่ธรรมชาติเช่นกันเมื่อนั้นสัรพสิ่งทั้งหลาย รวมถึงการรับรู้ทั้งหมดที่เคยมีจะกลายเป็นธรรมชาติทั้งหมดจะมีแต่ธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนนี่คือที่สุดของการปฏิบัติปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างที่ชาวพุทธนั่งฟังได้ยินได้ฟังกันมาเท่านั้นในธรรมชั้นนี้ไม่มีใครเอาออกมาพูดอีกแล้ว หรือถ้าจะมีก็ครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้วท่านก็อาจจะอยู่ในป่าในเข า, าที่ผมมาพูดไม่ได้อะไรแม้แต่หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรพื้นฐานก็ตามแต่ทำท่ายิ่งนานวันที่หน้าตามไม่เหมือนหน้าตามไม่เหมือนบิกินเนรเลยรวมถึงพวกเราด้วยแค่วันเดียวก็แก่กระทันหันแล้ เมื่อวานยังดูสาวๆเด็กๆหน้าตึงกันอยู่วันนี้เหี่ยวย่นเลยเห็นเป็นอสุภะไปหมดเลยเวลาเกิดความคิดขึ้นมาถ้าจิตตั้งมั่นครับจิตไม่ตั้งมั่นก่อนพวกเราใช้ Google Map ถูกไหมในการเดินทางพวกเราเซ็ต Google Map จะไปไหนป้าไหนให้มันนำทางมันนำถูกตลอดไหม ก็อาจจะมีพาเลี้ยวผิดบ้างท่านโกรธ o o เกิลแมปไหมเอาตร ง, ตรงๆเคยทะเลาะ ก, กับ Google m มปไหมคือดาบผี่บ้านี่โอ้ยพาทำไมมาทา ง, ทางนี้ทางไหนเนี่ยแล้วก็พาหลงเข้าบางทีเข้าดงเข้าอะไรเนี่ย Google Ma ว่างจากตัวตนท่านรู้ไหม Google แ a p ทำงานตามข้อมูลแล้วก็ตามการเขียนโปรแกรมพารามิเตอร์ของคนเขียน กูเกิลแมปเป็นหนึ่งใน AI Artificial Intelligence คือปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มีตัวตนเราเคยเป็นสุขเป็นทุกข์กับกูเก l e แมปไหมเคยเราเคยทะเลาะ ก, กับมันเราเคยรู้สึกว่าเออดิมพามาเร็วไวเก่งไว้ตรงเวลาเป๊ะเลยดูดิมันไม่ได้เก่ง มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นวันหนึ่งท่านจะเห็นไม่ว่าจะความคิดความรู้สึกเวทนาต่างๆเป็นอย่างนั้นเมื่อท่านเห็นความจริงเป็นอย่างนั้นต้องมาทาใจให้เป็นอุเบกขาไหมเมื่อของมันไม่มีราคาเลยใครจะซื้อ ความคิดทั้งหลายที่ออกมาไม่ว่าจะไปทางบวกทางลบก็ตามจากนี้ไปไม่ซื้อเมื่อก่อนเราโดนเซลงโง่มาหลอกขายของทั้งวันอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปทั้งวันหงุดหงิดลำคาญกับโลกที่ไม่มีอยู่จริงซื้อทั้งวันอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงซื้อทั้งวัน ไอ้ความคิดที่ไม่มีตัวตนหุดหีดคนท่านทําไมอย่างนี้คนนี้ทําไมอย่างงู้นซื้อไปน่ะพาลงนรกทางนั้นซื้อตั๋วลงนรกอันจากนี้ไปเห็นความจริงแล้วเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเห็นมีแต่สรรพสิ่งที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปสรรพสิ่งเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปโอ้เห็นเห็นโอ้จริงด้วยไม่เห็นมีอะไรเลยนะ เรืงของเกิดดับเกิดดับเมื่อก่อนเรายึดถืออะไร เ, เป็นบ้าเป็นบอเป็นสุขเป็นทุกข์กันทั้งวนันพอเห็นความจริงก็หมดราคาเซลล์คนนั้นจะไปยืนขายของไเงินก็ยืนไปดิจะขายก็ขายไปดิสังขารจะปรุงก็ปรุงไปดินั่นก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละสุดท้ายเมื่อท่านไม่ซื้อท่านว่าสังขารมันทําไง ยาขายก็ขายไปไม่ขับไล่ไม่เชื้อเชิญจำไว้นะเคลดลับอยู่แช่นี้ไม่ขับไล่แล้วก็ไม่เชื้อเชิญยาไปอยู่อยู่ไปนี่คือสภาพที่เป็นอิสระต่อกันเมื่อเป็นอิสระต่อกันไม่ขับไล่ไม่เชื้อเชิญจากนั้นจะหมดค่าลงไปจิต จะส ง, งบโดยอัตโนมัติแล้วจะส ง, งบแบบวางจริงๆนี่แหละที่เรียกว่าอุเบกขาอารมณ์ถึงตอนนั้นจะว่างเลยแต่ยังไม่ใช่ว่างจนถึงที่สุดไม่ต้องรีบ ไม่เคยคนเป็นไรเขาจัดการเองจัดการเองลืมปิดโทรศัพท์ไม่ใช่ฆาตกรยังพูดจิตตั้งมันตั้งมันไหมล่ะที่ผมฝากก็ททำผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นเห็นหรือยัง เห็นจจังๆเลยที่คนนี้อ๋ออย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์ที่เรียกว่าจิตจิตส่งออกนอกนั่นล่ะหลุดออกไปนอกไหนเลยก็ไม่รู้น่ะไปถึงโทรศัพท์เขาแล้วถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเสียงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเพิ่มนะอ๋อเห็นใจเขาจะเฉยๆอยู่เฉย ใครทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำกันไปนะทำกันไปเจ้าของเขาก็ทำไปเ้าก็จัดการของเขาไปความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่คอการบาดตายอะไรผมเห็นบางคอร์สนี่โอ้ยวิทยากรตาเลยลุกเป็นไฟเลยเข้ามาในห้องไม่ปิดโทรศัสสแสดงอาการใช้สายตากรีด ขอถ้าหลุดเจ้าของโทรศัพท์นะเลือดไหลาอาบไปเลยแต่ผมว่าไม่ได้ไหลาอาบที่เจ้าของหรอกไหลาอาบที่คนทำนะั่นแหละมีคนทูลพระเจ้าว่าทําไมดวงตาของพระองค์จึงเขาเรียอะไรสวยงามดุจตาของลูกวัวนะคานี้นะใช้คําในพระไตรปิฎกเป็นคํางามดุจ ดวงตาของลูกวัวนึกตาลูกวัวออกไหมบางคนก็นอาจจะเคยเห็นเป็นมันคล้ายๆแก้วใสๆอะไรนะตาของลูกวัวพระองค์บอกว่าตถาคตไม่ได้ใช้ตาทําบาปทําอกุศลมานานนักแลพวกเราใช้ตาทําบาปทอาอกุศลต้องไหมก็อาจจะเคยมีนะลืมบ่อยเรื่ออะไรก็แล้วแต่ เวลาแฟนทําไม่ถูกใจเวลาแฟนมองผู้หญิงอื่นอะไรเงี้ยท่านก็ใช้ตาทํานั่นน่ะเขารียกใช้ตาทําอักุศลตาเราถึงไม่สวย <c oughs> เพราะผมที่คงเป็นมากหละนะทั้งเบี้ยวทั้งบิดทั้งอะไรดูไม่จือดอะทามาหมดแหละ เละก็คงเข้าใจในระดับที่นำไปใช้ประโยชน์ดได้จริงๆคือผมสอนมาสิบกว่าปีก็ส่วนใหญ่ก็สอนนะแต่ผมว่าคนฟังไม่ออกก็เพิ่งมีหลักสูตรเนี่ยที่ตั้งใจว่าจี้ลงไปเลยแล้วกันเพราะธรรมชาติของนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ย พอมันตื่นขึ้นมาแล้วพอมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะเห็นพวกนี้เองแต่รอมาก็นานแล้วพอไม่ตื่นเห็นทีต้องเขย่าแล้วซึ่ควรจะตื่นเองได้แล้วนะทำไมต้องใช้นาฬิกาปลุกกันอยู่เลยเอาละก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านเริ่มเข้าใจก็เอาไปทำต่อก็แล้วกัน เดี๋ยวเช้าวันนี้เรามาดูเนื้อหาการบรรยายในโตขึ้นหนูจะเป็นเบนสติดหนึ่งก่อ น, นเดี๋ยวจะว่าคอร์สนี้มันไม่พื้นฐานก็จะมีเรื่องอเดี๋ยวให้เบียช่วยเปิดทีนี้เดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นเรื่องรีเบกาแล้วก็มีการออกมาวันนี้ ผมอยากให้มุมมองของทุกคนผู้ที่เข้ามาสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าก็ตามวันนี้เราเห็นแล้วว่าเพราะความเคยชินเคยคุ้นได้ก่อให้เกิดที่ยืนของกิเลสเมื่อก่อนเรานึกว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาโลภะโทสะโมหะปุบปับปุบปับปุบปับขึ้นมามีสติเข้ามาโลภะหายพอสติหายไป โลภะหรือโทสะหรือโมหะก็โผล่ขึ้นมาอีกขึ้นมาคล้ายๆเป็นที่เด็กๆ เ, เขาเล่นเกมกันเหมือนมีตัวอะไรตุ ก, กตุนมันขึ้นมาแล้วก็มีค้อนอันนึ่งคอยทุบหัวคอยทุบหัวสติคอยทุบหัวให้พุ่โผที่สติคอยทุบหัวเราจะเข้าใจกิเลสในลักษณะแบบนี้วันนี้เราได้อธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้ที่มันโผหัวขึ้นมาเนี่ย ยูยูมันโอลหัวขึ้นมาได้ยังไงที่เอาสติต้องไปคอยเคาหัวตุ๊บที่มันโผล่ขึ้นมาจากรูกตู้กกระตจนมันโผล่มาแล้วก็เคาะหัวไอ้นี่มันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากความเคยชินเดิมที่เราทําเอาไว้ฝังรากลึกเดี๋ยวลองดูรีเบก้าใหม่เริ่มตัแต่รีเบก้ามองเข้าไปในตู้กระจก ที่บอกว่าเกิดโลภะเกิดตัณหาเนี่ยขณะที่มองเข้าไปนในทุกกระจกเห็นผ้าพันคอสีเขียวเนี่ยก่อนหน้านั้นนั้นนั้นชีวิตของรีเวก้าเป็นมาอย่างไงทำไมเมื่อการกระทบเกิดขึ้นที่ผัสสะปั้งเวทนาตัณหาอุปาทานถึงวิกันเป็นขบวนเลยถ้าเราเอาสติคอยระลึกอยู่อย่างนี้เนี่ยชาตินี้จะทันไหมเนี่ย นะชาติที่จะไม่ทันกินนะเนี่ยอ้าสติระลึกสติระลึกพรานี่กระดับไปถูกตอนสติระลึกนะ่ยมันต้องดับอยู่แล้วเพราะจิตรับรู้ได้ทีละขณะจิตรับรู้ได้ทีละอย่างในแต่ละขณะถ้าสติขึ้นมาประกอบคือเจตสิกคือสติขึ้นมาประกอบขณะนั้นเจตสิก ที่จะขึ้นมาประกอบจิตในส่วนของอกุศลคือกิเลสก็ไม่มีเหมือนกันถูกไหมถ้ากิเลส ความโลภเจตสิกเข้ามาประกอบขณะนี้เกิดความโลภเรื่องโทสะเรื่องโมหะก็ได้เกิดมีสติระลึกป๊บสติระลึกกิเลสยังอยู่ไหมไม่อยู่อ่ะพอเผลอเผอเมื่อเกิดความหลงนั่งคิดเมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจเลยทีหลังอ่ะเกิดความเหมื่อความหลงตอนนั้นสติมีไหมไม่มี อ่ะสติระลึกรู้ตัวขึ้นมาสีแดงมื่อี่หายไปยังหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดดับสลับกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้าคนไม่มาฝึกนี่ไอ้นี่มันอยู่อย่างนี้เลยนะมันหลงทั้งวันทั้งคืนเลยนะมันโลภมันโกรธมันหลงทั้งวันทั้งคืนนะแต่พอเพิ่มมาฝึกพอได้ยินเสียงระฆังเป้งอย่างนี้นะ เดี๋ยวไปอีกนะอย่างนี้อีกถูกไหมเราก็เข้ามาปฏิบัติก็จะเริ่มอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะฉันจะเห็นว่านานๆสีขาวเกิดทีแล้วก็เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธแล้วก็หลงๆลงหลงลงโลภโลภ โ, โ, โกรธโกรธอยู่อย่างเงี้ยะวันๆพ อ, อ, อสติราลึกขึ้นมาทีขาวเดี๋ยวก็ไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งเห็นอย่างนี้ เราจะรู้เลยว่าวันวั น, วนหนึงสีแดงหรือสีขาวของเรามากกว่ากันจากนั้นที่ผมบอกมาสร้างความเคยคุ้นใหม่สองวันที่ผ่านมาท่านเริ่มเป็นสีนี้บ่อยพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะเผลอก็ต้องรู้ลมเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ลมถ้าท่านทําจริงๆเนี่ยท่านจะเริ่มรู้ว่าสีขาวมากกว่าอาจจะมีเผลอไปนั่งเม่อแป๊บอ่ะเดี๋ยวก็ กลับมาอย่างนี้อีกถูกไหมอย่างนี้เขาเรียกเจตสิกนะอย่างนี้เรียกเจตสิกเข้ามาประกอบจิตจําไว้เจตสิกเข้ามาประกอบจิตแบบนี้นี่ผมยกตัวอย่างคือฝ่ายกุศลสีขาวกับฝ่ายอกุศลสีแดงอย่างนี้เรียกเจตสิกนะเดี๋ยวไปฟังคําพระเจ้าก็จะมีแต่จิตกับเจตสิกนี่แหละมีแค่2คํานี่แหละ เจตสิกก็เข้ามาประกอบเจตสิกไม่ได้แบ่งเป็นกุศลหรืออกุศลทั้งกุศลอกุศลเรียกเจตสิกหมดเข้าประกอบจิตแล้วค่อยไปแบ่งเป็นเจตสิกฝ่ายกุศลเจตสิกฝ่ายอกุศลกันอีกทีแล้วก็มีฝ่ายอกุศลก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะในเรื่องของอริธรรมเขก็แบ่งมันเยอะแยะแต่เอาละเรานักปฏิบัติเราขอแค่นี้แนหะสุดท้ายเจตสิกทั้งหมดแค่ของเกิดดับไม่ได้มีตัวตนอะไรมีตัวตนขึ้นมาเพราะผู้รู้ไปมีตัวตนก่อน Google Map ไม่เคยมีตัวตน Siri ในเครื่อง iPhone ที่ถามตอบอะไรไปแซวมันก็แซวกลับบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ข้อมูลเ็ามีเขาก็ไม่มีตัวตนสังเกตไม่บางทีเรามีอารมณ์ถ้าเราใครเคยนั่งเถียงเล่นกับ Siri นี่ Siri นะวันนี้วันที่เท่าไหร่ ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณอยู่ในสามโคกจังหวัดปทุมธานีเออเก่งนะสิริเนี่ยทำไมเก่งนะสิริฉันจะพยายามตื่นที่แล้วกันขอบใจไปนอนได้แล้วสิริ นั่นคงอยู่นอกเหนือความสามารถของฉันตอนนี้อย่าเถียงสิฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าอย่าขึ้นเสียงนะเดี๋ยวปิดนั่นคงอยู่นอกเหนือความสามารถของฉันตอนนี้ถ้าต้องทะเลาะกับของที่ไม่มีตัวตนผมว่าเราบ้า แล้วตอนนี้เรากำลังทะเลาะหรือว่าดีใจเสียใจกับของที่ไม่มีตัวตน ด้วองค์ประกอบ8ประการในธรรม จ, จับกับตัดตอนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทางสายกลาง 1. คือเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นสองตามวิพังคสูตรพระพุทธเจ้าทรงอธิบายรายละเอียดไว้ดังนี้ 3. 1. สัมมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องหมายถึงความรู้ในอริยศสี่ 2. สองสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหมายถึง ความคิดในการออกจากกามความไม่พยาบาทและการไม่เบียดเบียนสามสามมาวาจาวาจาที่ถูกต้องหมายถึงการเว้นจากการพูดเท็จหยาบคายส่อเสียดและเพ้อเจอ้อสี่สา ม, มากมันตาการปฏิบัติบงคนฟังแล้วก็หัวเราะ้องคนฟังแล้วก็เฮ้ยศิริ น, นี่น่ารักจังเขาน่ารัก เขาเก่งเขาอารมณ์ดีอ่ะเขาทำตามหน้าที่เขามีหน้าที่ด้วยเหรอก็ถูกเซตไว้อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้เรากำลังมีอารมณ์ กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วเราเองมีอารมณ์ขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่รู้ที่ไปเอาของไม่มีตัวตนมาทำขึ้นมาจนมีความรู้สึกว่าที่เป็นเราเรื่องอาจจะดูซับซ้อนไม่ได้ยากแต่ลึกลำ้ำ ไม่เกินความสามารถของใครเพราะอยู่ในกายยาวาหนะคขึ้นอันประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เท่านั้นเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงเรื่องจะไม่ได้อยู่แค่ในสมาธิหรือในจิตในใจแต่กลับกลายเป็นสรรพสิ่งที่เข้ามากระทบในชีวิตทั้งหลายเราจะเห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นเราจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นบ้าเป็นบอ หรือเป็นเศร้าโศกเสียใจพ่ดีพ่ไรลำพันธ์กับเรื่องอะไรวันหนึ่งจะเกิดเป็นมะเร็งจะลุกขึ้นไม่ได้วันหนึ่งสมองผมอาจจะจำอะไรไม่ได้แค่รับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็หายไปนึกไม่ออกว่าเมื่อกี้ทำอะไรอาจจะเป็นอาการเหมือนคนเอาจัลไซเมอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันจะเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นจะลุกขึ้นไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของใคร ก็ไม่ได้มีอะไรใบไม้มันจะเหลืองก็เหลืองใบไม้มันจะร่วงก็ร่วงใครจะไปทุกข์กับใครใครจะไปทุกข์กับอะไรอะไรจะมาทําให้ใครทุกข์เพราะถ้ามันไม่มีใครจะทุกข์สุดท้ายอะไรมันจะมาเป็นอะไรมันไม่มีอะไรทุกอย่างก็ไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีอะไรเขาก็ทําตามทํางานตามตามหน้าที่เหตุปัจจัยจะเรียกว่าอะไรก็ได้นะเข้าให้ถึงความจริงนี้นะ เข้าห้ถึงความจริงนี้ด้วยการเห็นความจริงตรงนี้แล้วจะเข้าถึงความจริงนี้ปัญญาการตัดสุลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่อะไรที่อยู่นอกโลกนอกจักรวาลแต่อยู่นอกโลกนี้อยู่เหนือโลกไม่ใช่นอกโลกเด็ดอยู่เหนือโลกทำไมจึงอยู่เหนือโลกโลกอย่างที่เรารู้จักไม่ใช่โลกอย่างที่เรารู้จักโลกนี้ขันทโลกนี้ โลกมีอยู่แค่นี้โลกนี้อยู่ที่จิตโลกนีอยู่ที่จิต